ถ้าเจริญได้ตามนั้นจริงก็ไม่เสื่อมนะถูกต้องบรรลุแน่นอนแต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องว่าโพชงประชุมกันได้ไหมล่ะสติประธานสมมติประธานอิทธิบาทอินทรีพระละโพชงองค์มรรคถ้าประชุมไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่หมายว่าถ้ายังเจริญอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดตรัสรู้แน่นอนขอให้เดินตามทางเหล่านั้นเถอะบอกว่าอีกในหนือนะถ้าถ้าพูดแบบย้อนกลับไปอปริหารนิยธรรมสูตรก่อนบอกถ้ายังฟังเกี่ยวกับเรื่องโพชงอยู่ก็ไม่เสื่อมเหมือนกันเถอะ ยังชอบโพชชงยังเจริญโพชชงยังยินดีในโพธชงก็แปลว่าเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมะนะถ้าจำได้แค่นี้ก็ได้ถ้าจําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะฟังแล้วโอ้ยทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าคนที่ศึกษาธรรมะถ้าเข้าใจเนื้อหาจริงๆอะเรื่องราวเนื้อหาเนี่ยโครงสร้างอะไม่มีอะไรมากเพียงแต่แสแดงวิธีการสแสดงที่แตกต่างกันออกไปวิธีการสแสดงเหล่านี้ยถามว่าพระองค์ประสงค์อะไรคือมันเป็นอย่างนี้ว่า ถ้าเอาคำสอนมาคิดได้บ่อยๆกุศลจิตมันเกิดได้บ่อยปัญหาเรื่องของเรื่องของผู้ที่อินทรีย์แก่กล้าคือกุศลจิตมันเกิดบางมากอะ่ะนี่ทําทํำยังไงอะ่ะก็ย้ําแล้วย้ําอีกแต่ทีนี้ย้ําแล้วย้ําอีกถ้าใช้พยัญชนะเดิมมันก็เบื่อพระพุทธเจ้าก็ะนะความที่พระองค์กรุณานะกรุณาก็แสดงโดยวิธีนี้วิธีนั้นโดยปริยายต่างๆเชื่อเหอะถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพระองค์ไม่ได้พูดมากหรอก พอองษ์ไม่เหนื่อยเขบอกว่าพระ อ, องค์จะเหนื่อยเฉพาะคนที่ไม่คุณธรรมน้อยอินทรีย์น้อยเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็หรือเราแกล้งพระพุทธเจ้าพรอองษ์ให้พระ อ, องค์เหนื่อยเลยอย่างงี้ว่าแกล้งพระพุทธเจ้าก็บาปอย่ากแกล้งพระ อ, องค์เลยเนี่ยนะสงสารตัวเองเถอะเนี่ยนะพอองค์ไม่ป่วยกับเราเราอกนะต่อไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายและภิกษุยังจักเจริญปสัสสติสัมโพชฌงอยู่ตลอดกาลเพียงไรพิสูจทั้งหลายเพิงหวังความเจริญอย่างเดียว หาความเสื่อมนมี้ได้ก็คือเจริญปสัสสพิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธาโนมไปเพื่อการสละหรือว่าปสัสสพิสัมโพชงพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ถูกต้องแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั่น ดูก่อนพิสูุทั้งหลายและภิสูุทั้งหลายยังจักเจริญสมาธิสัมโพชงนะนะองค์ที่เป็นเหตุให้ตรัสรูค้คือสมาธิเนี่ยนะถ้ายังเจริญอยู่อย่างนี้ตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นะก็เจริญอนะไรเจริญสมาธิสัมโพชงอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าสมาธิสัมโพชงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนพิสูทั้งหลายและพิสูุทั้งหลายยังจะเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอยู่ตลอดการเพียงไรพิสูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็เจริญอุเบกขาสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละ หรือไม่ก็เจริญอุเบกขาสามโพชงเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วว่าบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็อภปริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ยังจัดตั้งอยู่ในภิษูทั้งหลายคุณธรรม7อย่างนะธรรมะเนี่ยแปลกนะพระองค์จะแสดงทุกอย่างเป็นชุดๆนะไม่ได้พูดอะไรอันเดียวอันใดอันหนึ่ง แต่ก็มีอ่ะนะเอกานิบาตอังคุตรนิกายธรรมะหมวดเดียวทำเอกทำเอกนะก็มีอยู่แต่อันนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปที่ไหนก็แสดงไปอันเดียวอันเดียวก็พระองค์โดยมากก็แสดงเป็นเป็นชุดๆอ่ะนะเพราะว่าโพชงเนี่ยถ้าไม่ครบเจ็ดบรรลุได้ไห ม, มเขาบอกเขามีมิลินทปัญหาเขาถามว่าโพชงเนี่ยนะโอตัวไหนแน่ที่ทําให้บรรลุมีตัวเดียวนะที่บรรลุอะ่ะคือธรรมวิจยะสัมโพชง์ ตัวที่ทําให้บรรลุนี่มีอยู่ตัวเดียวเอางี้ถามว่าแล้วทําไมต้องเจริญอีกหกข้อเอางั้นถามว่าไอ้ที่ตัดสมมุติว่าจะตัดอะไรสักอย่างคมขวานใช่ไหมเป็นตัวตัดเพราะฉะนั้นซื้อขวานก็ซื้อแต่คมมาก็พอไม่ต้องซื้อด้ามไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างนะเอาแต่คมมาอย่างเดียวพอไหมไม่ได้นีนะอย่างไอ้ที่ตัดนี่อะไรตัดใบเลื่อยตรงที่คมคมนั่นแหละที่มันตัดถ้าถามว่าทําไมไม่ซื้อเอาแต่คมมาก็พอเอาแต่คมก็พอเนี่ยนะเป็นไปได้ไหม บางคนก็ว่าเอาปัญญาอย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนกัแม่ก็ซื้อของทําไมไม่เอาแต่ของอ่ะนะเอาแต่ตัวนั้นมาจริงๆนะซื้อเครื่องเสียงอ่ะนะแล้วก็บอกเอาไอ้ตัวที่มันดังๆก็พอแล้วไอ้ย่างอื่นองค์ประกอบอย่างอื่นไม่เอาอ่ะนะพวกกล่องพวกอะไรก็ไม่เอาซื้อทุเรียนให้ก็ปอกเอาแต่เนื้อมาเอาไหมเอาค่ะก็อะไรนะชาวสวนขายแต่เนื้อทุเรียนน่ยนะตั้งแต่สวนเลยแกะทิ้งให้หมดพวกเปลือกพวกอะไรเอาแต่เนื้อทุเรียนมาขายไงนะมังคุดก็ได้เอาเมล็ดทิ้งให้หมดเอาแต่เนื้อมังคุดเนี่ยมาขายอะไรจะเกิดขึ้น มันเขาก็แสดงกันทั้งครบชุดแบบนี้นี่แหละเขาไม่ได้เอาองไดอันหนึ่งหรอกเนะนะเพราะฉนั้พระชงก็เหมือนกันต้องครบองเจ็ดจึงจะพอตรัสตรัสรู้ได้องคไดองค์เดียวไม่ได้นะนะจริงอยู่ว่าอย่างคมขวานที่จะตัดขาดเนี่ยก็คือตัวคมก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบทั้งตัวขวานด้วยทั้งด้ามขวานด้วยต้องมีหินรับขวานด้วยขวาน ม, มันกระตัดได้นะนะมีองค์ประกอบเยอะฉันนั้นเหมือนกัน นันพระพุทธเจ้าเวลาแสดงนั้นจะแสดงทั้งชุดเนี่ยนะจะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งแล้วพอเลยเนี่ยนะอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะดูก่อนพิสูธทั้งหลายตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรมเจดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทําไว้ในใจให้ดีตถาคตจักกล่าวภิสูธาเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอนิจจสัญญาตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวฮะความเสื่อมไม่ได้คือหมายว่าอนิจจสัญญานี่แปล ว, ว่าความสําคัญหมายว่าไม่เที่ยงคือไม่คาดคิดคือคนเนี่ยนะจริงๆแล้วคนเนี่ยคาดหวังว่าสังขาร น, น่าจะเที่ยงเรียกว่าเข้าไปคาดหวังว่าสังขาร น, นี่มันเที่ยง กับคนที่ไม่มีความคาดหมายไว้เลยว่าสังขารจากเที่ยงต่างกันใช่ไหมพื้นฐานเชื่อไหมคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าเข้าไปคาดหมายทุกอย่างว่าจะยั่งยืนแต่สําหรับพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความคิดใดๆเลยว่าสังขารจากยั่งยืนนันะแต่ที่มันเห็นว่ายั่งยืนเนี่ยเพราะความวิปลาสไปเท่านั้นเอง เพราะเมื่ อ, อไรอย่างไรทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเมื่ อ, อไหร่ก็ช่างเถอะสังขารทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนแปลว่าสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนั่นเองไม่เที่ยงก็แปลว่าอะไรมรณะโตตายเป็นธรรมดาเสียหายเป็นธรรมดากระจัดกระจายเป็นธรรมดาอนิจจังสังขตังวิราคะนิโรธาวิปรินามะนั่นแหละก็คือไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาความจริงมันเป็นอย่างนั้น เมื่อไหร่เมื่อไร่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าไปสําคัญหมายตามที่มันเป็นไอตัวความสําคัญหมายตัวนั้นนะทําให้เจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่เสื่อมก็มีความสงสัยเออถ้าเราคิดว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วเราจะเจริญได้ยังไงเออมันไม่เที่ยงถามว่าสมมุตินะถ้าเราเข้าใจถึงความไม่แน่นอนเนี่ยชีวิตของเราจะอยู่ด้วยความประมารหรือปล่อยปละละเลยก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่แล้วเนี่ยนะ คนที่เห็นความ ผ, ล ผ, ลผลันผวนความแปรปรวนของสรรพสิ่งอะ่ะคนนั้นเนี่ยจะรีบเร่งเจริญคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่จริงอนิจจสัญญาก็หมายถึงสัญญาที่เกิดร่วมกับอนิจจานุปัสสนานั่นเองเพราะฉะนั้นแต่นี้ยกยกอะไรนะถ้าเป็นมรรคแปดยกสัมมาทิฏฐิเรียกวิวปัสสนาสัมมาทิฏฐิมาอันหนึ่งฉะนั้นคนที่เจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพอไหม ไม่พอเขาก็เรียบเร่งพากพูนเพิ่มพูนคุณธรรมอย่างอื่นอี ก, อกเยอะเนี่ยนะดูกนพิสูทั้งหลายถ้าพิกษูทั้งหลายยังจักเจริญอนัตตสัญญาหมายรู้ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาตลอดการเพียงไรพิกษูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็คือหลักการก็มีอยู่ว่าตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็น ทุกตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่มานั่งท่องว่าอนัตตาอนัตตาแล้วก็ถ้าแปลบอกไม่ใช่ตัวตนเนี่ยโอ้ยเข้าใจยากยากเลยนะบอกว่าเหมือนว่าเถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาแล้วมันดียังไงคือจริงๆแล้วสังขารทั้งหลายเนี่ยเมื่ อ, อไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นอัตตาวันยังค่ำแหละใครจะไปทําให้มันเป็นอัตตามันก็ไม่เป็นก็เหมือนว่าสังขารที่ไม่เที่ยงใครทําให้มันเที่ยงได้บ้าง สังขารที่มันเป็นทุกข์อ่ะนะใครทําให้มันสุขจริงได้บ้างฉันใดก็ดีสังขารทั้งทำทั้งปวงสังขารทั้งปวงเมื่อไรอย่างไรมันก็เป็นอนัตตาแต่เมาไปเท่านั้นเองว่ามันเมาไปวิปริตไปแปรปรวนไปเพี้ยนไปเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่ามันเที่ยงเผลอไปอ่ะนะใช้คําว่าเผลอจริงมันมันหนักกว่าเผลอถ้าเผลอมันใช่วับใช่ไหมแต่นี้มันเป็นอย่างนั้นตลอดเขาเรียกว่าวิปลาสเขาไม่เรียกเผลอ แต่ถ้าหากว่าแบบโอ้พึ่งนึกได้แหมเข้าใจอย่างนี้แต่เพลอไปนิดเดียวชั ว, วูบเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เผลอแต่มันเป็นมาอย่างนี้ตลอดเขาเรียกว่าวิป ร, ริตหรือเรียกว่าเมาเนี่ยนะนี้จริงๆแล้วเมื่ อ, อไร่ก็ตามสังขารก็ไม่เที่ยงสังขารก็เป็นทุกข์ทำทั้งปวงก็เป็นอนัตตาแต่เชื่อไหมปุตุชนเนี่ยมีความคิดฝืนความจริงอยู่ตลอดนะหวังว่าจะฝืนความจริงแต่ท่าระยะทั้งหลายเนี่ยความจริงมันคืออะไรเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย ควรจะเจริญอะไรต่อไปเพราะฉะนั้น ถ, ถ้าถ้าคิดอีกในหนึ่งนะถ้าเราจะชื่นชมพระพุทธเจ้ายกย่องพระองค์เนี่ยก็คือว่าพระองค์เห็นความไม่เที่ยงแล้วพระองค์ ร, รวบรวมโพธิปักขยธรรมพระองค์เห็นว่าไม่เที่ยงด้วยกรรมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแล้วพระองค์รวบรวมอริยมรรคที่เหลือไม่ใช่ว่าโอ้มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเดินไปเนี่ยเหยียบกระถางแตกเออมันก็ไม่เที่ยงจบเลยเนี่ยนะ พอพ่ อ, พอตายแบบไม่เที่ยงอันนันเป็นต้นเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้ไหมเรียนธรรมะให้ศึกษาให้มันดีๆนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมคาสอนที่เขาพูดแต่ละคำเนี่ยเขาระมัดระวังในการใช้ศัพท์มาก ถ, ถามว่าทําไมเขาระมัดระวังในการใช้คํา ระมัดระวังเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพื่อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพื่อรอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้เพื่อละในสิ่งที่ควรละเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญท่านการวางคําวางศัพท์อาจจะถูกแง่นี้มันผิดอีกสีด้านนั้นท่านจะระวังทํายังไงให้เกิดความสมดุลกันนะัค่อนข้างระวังมากในการใช้คําทุกคำแม้กระทั่งใช้คําว่าสัญญาพวกนี้ก็เหมือนท่าสำคัญหมายอย่างนี้ไว้ตลอด ถ้าสําคัญหมายว่าสังขารไม่เที่ยงสมมติถ้าเช่นถ้าเราจะตายแล้วเราเอาเวลาที่ไหนมาเจริญกุศลถ้าสําคัญว่าสังขารไม่เที่ยงเท่าใดเนี่ยนะชีวิตของเรามันไม่แน่นอนเลยนะอ้าวแล้วเราจะทําไงดีถ้ารู้ว่าสมมุติเดี๋ยวตาเนี่ยสมมุติว่าตาเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงแล้วถามว่าจะเอาตาไปดูอะไรหูก็จะเสียหมดแล้วเนี่ยแล้วเอาหูไปทําอะไรเนี่ยร่างกายต่อไปนะกระดูกกระเดี่ยวก็เตรียมจะผุหมดแล้วเนี่ยนะสังขารก็จะเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้ว ควรจะทําอย่างไรดีเนี่เราก็จะตายแล้วเนี่เราจะทํำยังไงดีแล้วบอกว่าโอหตาหูจมูกเลนกายใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหมดเลยเนี่ยถ้ามัน อ, อนัตตาแบบไม่เที่ยงด้วยอนัตตาแบบเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเอ๊ะทำไงดีเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ประมาทยิ่งดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะดำรงอยู่ไม่ประมาตก็คือโคจรปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปตามโพธิปัขยธรรมให้ใจเนี่ยไหลไปตาม โพธิปัจจะธรรมซึ่งเป็นธรรมที่โคจรของพระอริยเจ้าทั้งหลายดูค่ามพิสูจนทั้งหลายภิสูุน์ทั้งหลายยังจักเจริญอสุภาษสัญญาตลอดการเพียงใดพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้หมายคาอว่าถ้าเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นอสุภาษณเนี่ยนะทั้งสภวิญ ญ, ญาณกะและอวิญ ญ, ญาณกะถ้าเห็นว่าอาสุภาษหรือปฏิกูลไม่สะอาดอยู่เพียงใดก็เจริญอย่างเดียว ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็พิสูุทั้งหลายยังจักเจริญอาทีนวสัญญาสัญญาว่าทุกอย่างมันมีโทษหมดเยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีโทษถ้าสำคัญหมายอย่างนั้นตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็พิสูุทั้งหลายยังจักเจริญปหารสัญญา ฐานะก็คือน้อมไปเพื่อละฉันทราคะเป็นต้นในขันห้าเนี่ยนะถ้าก็ยังน้อมไปเพื่อละฉันทราคะเป็นต้นในขันห้าอยู่เพียงใดพิสูุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูความพิสูุทั้งหลายถ้าพิกษุยังยังจักเจริญวิราคาสญญาัสัญญาสัญญาสําคัญหมายเพื่อคลายกําหนัดหมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะถ้ายังน้อมไปเพื่อพระนิพพานอยู่เพียงใดก็ หวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้และพิกษุทั้งหลายยังเจริญนิโรธสัญญานิโรธหมายถึงน้อมไปหาอาสังคตธรรมเป็นที่ดับสังคตอยู่นี่นะถ้ายังน้อมไปอย่างนั้นอยู่ตลอดการเพียงไรพิสษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เพราะสัญญาตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาถ้ายังตั้ง วิปัสนาสัมมาทิฏฐิถ้ายังตั้งมัคคสัมมาทิฏฐิหรือว่าน้อมไปเพื่อสัมมาทิฏฐิอย่างนี้อยู่เพียงใดหวังได้เลยว่าเจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่เสื่อมดูก่อนพิสูุทั้งหลายอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ยังตั้งอยู่ในพิสูุทั้งหลายและภิสูจทั้งหลายยังเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไร เพศสูทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นี่นะมันก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่จริงอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพระพุทธพจน์ที่กล่าวอปิริหานิยธรรมเนี่ยพระองค์แสดงหลักการแสดงหลักการเอาไว้ไปพินิษพิจารณาเอาไว้สํารวจตรวจสอบว่าเรายังเจริญหรือยังเสื่อมแนวโน้มจะเจริญหรือแนวโน้มจะเสื่อมก็เอาอปิริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนี่แหละมาสํารวจดู ถ้าเราจะขัดกับหลักตัวใดตัวหนึ่งก็แปลว่าเสื่อมถ้าเจริญตามนี้อยู่สำรวจตรวจตราดูแล้วเป็นไปตามนี้ทุกประการพระองค์บอกว่ามั่นใจได้เลยว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแปลว่าทำที่สุดแห่งทุกได้แน่นอนเนี่ยน ะ, ะ, ะนั้นก็ปริหารนี้ทำทั้งเจ็ดประการทั้งห้าห้าสัตตกะเนี่ยนะห้าเจ็ดห้าคณเจดเท่าไหร่สามสิบห้าวันนี้เราเรียนหัวข้อทำมา ส5สิบห้าหัวข้อเนี่ยนะทั้นสสิบห้าหัวข้อเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมเอาไว้สำรวจตรวจตราว่าถ้ายังจะประพฤติปฏิบัติตามนี้เป็นไปอยู่เพียงใดก็เจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่เสื่อมนะก็ถือว่าเป็นข้อความตอนต้นของมหาปรินิพานสูตรเพราะฉะนั้นขอธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านี้จงปฏิสธานอยู่ในพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญอปริหานิยธรรม ประสบแต่ความเจริญอย่างเดียวโดยไม่เสื่อมตลอดตายเนี่ย น, นะก็ขออนุโมทนาด้วยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้